ก็มีคนไปบอกว่านี่ยัยเขาจะได้ไม่ถยดอกขาไม่ตีเนี่มันหลงไปเรานี่ก็หลงหลงในความรักหลงในความชังหลงในความทุกข์หลงในความสุขหลงในความหลงอะไรทั้งหมดเลยเรามาดูอันนั้นมันหลงแบบหนึ่งอันหลงของเราเนี่ยมันก็อันหลงแบบนั้นก็หลงเรากอน หลงัพื่อไม่คานไปไลยเตะสู่ชกขึ้นเวทีไปมันหลงแบบที่ก่อนมันจึงไปหลงแบบบ้านทําไปเราด่ากันมันก็หลงตัวเราก่อนไม่ใช่เขามาทำให้เราหลงเราหลงเราก่อนเราลักเขาเราก็หลงเราก่อนเราชังเขาเราก็หลงเราก่อนเราสุกเราทุกเราก็หลงเราก่อนทําไมจึงหลงเพราะมันนี่ผู้ดูแลถให้ไม่ผู้บอกว่า หันาก็นามาบอกว่ ย, ยเอ้ยเขาแสดงเฉยดอกไม่ใช่เรื่องจริงยายก็ลงมา น, นั่นเขาบอกนี่เราต้องบอกเองเลรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยทําไงเราจะรู้สึกตัวต้องมาสร้างเอาขอใครไม่ได้ซื้อใครไม่ได้เงินเปนเลาอเป็นแสนก็ไม่ได้ มีผัวเมียแลกกันก็แบ่งกันไม่ได้เพราะแม่รักลูกก็แบ่งกันไม่ได้จําเป็นเรต้องมาสร้างเอามาประกอบเอาทํำไมมันจึงจะเอาได้ความรู้อยู่ตัวเรไม่ยากเลยพลิกมือยก ม, อกมือก็รู้ได้แต่ของจริงนะเอามือเนี่ยเอามือเนี่ยองกา ย, ยมันสร้างเรียกว่ากายหาดุ ป, ปัจจามีสติ เห็นกายสติเป็นวัตถกายไมใยใ่ใช่ยกเฉยๆมีตัวรู้มีตัวเจตนาเป็นจังหวะไปเจตนาใจลงไปอิหยานียกก็ยกจริงจริงอยาที่ยกก็มีจริงๆไม่ต้องมีคำถามเมื่อฉันยกหรือเปล่าไม่มีคำถามถามใครก็ไม่รู้เราก็รู้เอง วางตงัวนี้มือฉันอยู่ตรงไหนไม่ต้องถามมีแต่คำตอบนี่อย่างนี้หรือว่าคำตอบหรือว่าเห็นพบเห็นไว้ใ่คิดเห็นแล้วเป็นการพบเห็นไม่ต้องลังเลสงสัยตอบได้ทันทีมือฉันอยู่ันเข่าก็รู้ว่ามือบนเขา่า มันไปอยู่ตรงนี quote, ้ก็รู้มือมาอยู่ตรงนี้มันยกมาตรงนี้ก right> ็รู้ยกมามือออกไปก็รู้ออกไปวางลงก็รู้คว่ำลงก็รู้ยกขึ้นก็รู้ยกออกไปก็รู้วางลงก็รู้คว่ำลงก็รู้ไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ความคิดเป็นไม่ใช่เหตุผลไม่ต้องมีสมองดีม่นจะรู้เฉยๆน่ย อ่านหนังสือได้ไม่ได้ก็รู้ได้ไปคนเจแจก็รู้ได้ไปคนเด็กก็รู้ได้ชาติไหนผ้าเสใดรู้ไ ด, ได้เพศใดไวไัยใดรู้ได้เนี่ยเราจะไม่กล้าเลยเราจะไม่ทําเลยแล้วไปทําอะไรละ่ะเราก็เคยด่าพลังอะคมาดา่าเราก่อนอ่ะคุณรู้อะไรมารู้ที่ไม่สอนนี่เนีแหละกเรารู้เนี่ย ให้เขาทำนะแต่คุณไปรู้อะไรหรอคุณรู้ไหมหนึมงวันรู้อันนี้ไหมไม่รู้ครึ่งวันรู้ไหมสิบนาทีรู้ไหมไม่รู้ห้านาทีรู้ไหมไม่รู้เอาคนณไปรู้อะไรคุณไปรู้โปยจันเลยหรือเพ่เห็นโปรยจันมาเลยทําไมคุณมาลู่เองอ่ะศาจาทั้งหลายเกิดอยู่ที่เอเชียเขาไม่เกิดอยู่ที่ยุโรปอเมริกา คนในเชียงเขามาลู่เห็นเงี้ยเพราะนั่นเราเนี่ยไปลู่อะไรลนะู้หมดหลวงพ่อแข่งท่านไม่ได้จบหมอจบแพทย์มาเรียนลู่มาหลวงพ่อไม่ได้รแต่มาลู่นี่มาลู้เรื่องตัวเองจงมาลู้จากตัวเองคำนีิหมายถ้าคนพบเจ้าได้ในตัวท่านหานอกตัวทาไม่ให้ผ่วยกัน ดอกบวัวบานอยู่ในเราอยากเขาไปในดอกบวัวมีม่เนยอดเดกุตเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การตัดรู้หรือรู้สิ่งใดใดล้วนมาจากความรู้ตัวสูเองทุกคนอาจารย์โพธาตุเขียนไว้มาลู้ตัวเองการตัดรู้ก็เป็นเรื่องของสูเอง ของขายของหมอเพราะแต่ลูกพุ่อะไรมันหลุดพ้นมันหลงหลุดพ้นจากความหลงได้ว่าบรรลุดธรรมมันทุกหลุดพ้นจากความทุกข์รู้แล้วปรก็พ้นบรรลุดธรรมมันโกรธรู้สึกตัวความโกรธรู้สึกตัวแล้วบรลลุดธรรมแล้วพ้นควาโกรธพ้นความหลงพ้นความทุกข์พ้นอะไรทุกอย่าง พอดีตพิ่อนาคตพ้นวันเวลามันพ้นจริงอ่ะผมรู้จักตัวเนี่ยการจริงสบายที่สุดการบอกความจริงมันไม่ใช่สนเห็นกระพุบตาบางแล้วมาบอกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อ่ามันอยู่ตรงนี้ เรานั่งอยู่นี้แล้เราลู้จากของของเราของอนะอยู่ในท้วยยองไหนบอกไ้เลยเรานั้งอยู่นี่พอเห็นอันนั้นเป็นเป็นสัญญาแต่ว่าสัญญาแบบสัมผัสมันไม่ลืมเช่นเราเห็นรูปเห็นนามมันไม่ลืมไม่ใช่ความจำเห็นจิติ มหนก็ไม่ลืมเห็นก้มหลงก็ไม่ลืมนี่คือตัวหลงนี่คือตัวลูกอยู่เวลาใดก็ตามนี่ตลอดเวลานี่คือหลงนี่คือลูกนี่คือทุกนี่คือลูกนี่คือโกดนี่คือลูกตรงกลางข้ามพอดีนี่คือเจนี่คือลูกนี่คือเจ็บนี่คือลูกนี่คือตายนี่คือลูกใช้ได้หมดเลยน้าเกิดน้อเจน้าเจ็บนะาตาย ตัวรู้เนี่ยแต่เบ็น์ทรับก็ไม่ได้สารพัดอย่างอะเดีท่ทรับทรับภายนอกใช่ได้แต่ภายนอกไม่ได้ไม่ใช่ในภายในแค่คนเก็บคนตายไปได้เก็บหมถึงเก็บใจนะเก็บภายใน ไ้เจ็บกายเจ็บกายต้องไปหาคนหมอมั่งอยู่เนี่ยผมก็เคยเจ็บกายคนหมอช่วยเหลือแันยังไม่หายดีดิ้งแขนแข็งอยู่อ่ามันเป็นรอยไปหาหมอเมื่อวันที่สิบสองที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรอยแผลเป็นโลกเม้าไในลำคอ มันหายแล้วแต่ว่ามันเป็นแผลเป็นอยู่แผลเป็นนี่ไม่หายมันยังเป็นเลื่อนเฉ๋งอยู่อเขาบอกว่าไปในสองปีเนี่ยตามมนหายก็หายถ้าไม่หายก็เกิดขึ้นมาได้มั่นก็แผลของเราที่มันไม่ใช่แผลธรรมดามันเป็นแผลเนื้อไรเหมือนกับมะเร็งอ่ะมะเร็งอ่ะแหละมะเร็งอ่ะแหละมันเป็นเนื้อไรอยู่ ไม่เหลืองเกิดมะเร็งในมดลูกตัดทิ้งไปอันนั้นหายมะเร็งในเต้านมตัดทิ้งไป น, นันก็หายถ้าแมงเข้าเช่นเลือดนะเราก็จะเป็นมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองอ่าเพราะนั่นเ ร, รีบทำจ้ะเราให้หลวงพ่อรีบสอนจ้ะรีบบอกจะอย่งรีบมากๆเลยนนะ่ะรีบสอนรีบบอกอ่าเพืจะได้บอกอะไรไว้แม่ไม่รู้วันนี้ ได้ยินไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ยได้ยินอาจจะ10ปี20ปีเอาไปทำอาจจะใกล้จะตายเอาไปทำก็ได้โอ้หลวงพ่อบอกว่าให้ลูกมันอะ่ะมันจะตายเห็นมันตายหรือหรือเป็นผู้ตายมันเจ็บเห็นมันเจ็บหรือเป็นผู้เจ็บเนี่ยแต่เราจนเรามันก็ออกไปปับสักทีเลยมันทำได้ แต่เราไม่ได้ยินอะไรไม่มีใครบอกแล้วก็เมื่ดแปดด้านไี่บอกบอกว่ามันใช่อยู่ที่ไหนมันหลงก็อยู่ที่ตัวรู้น่ะหลงอยู่ที่เราไหมหลงอยู่คนเื่อยหรือคนหลงอยูกับเรามันก็หลงอยู่กับเราเราก็รู้อยู่กับเราเนื่อในเนื่อมันเดงมันโกรธอยู่ที่ไหนโกรธอยู่ที่เราหรือโกรธอยู่ที่คนอื่นถ้าโกรธอยู่ที่เราก็รู้สึกตัวอยู่ที่เรา มันตรงมันข้ามบ่เดีมีโกรธมีไม่โกรธมีหลงไม่ไม่หลงมีทุกข์มีไม่ทุกข์มีเจนมีไม่เจรมีเจ็บมีไม่เจ็บมีตายมีไม่ตายหัดเปลี่ยนไปตั้งแต่บัดนี้แหละเปลี่ยนยังไงมันหลงเปลี่ยนเป็นตัวรู้เนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนพพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรมแล้วไม่เวรนั่นเนี่ยเวรกับมคืออะไรมันหลง อย่าเชื่อวตนไม่มีเบริเมกกรรมเป็นกรรมคือเลยบรรทุกเป็นกรรมคืออเลยมักกรรมออมโกรมันมีเบริเมกกรรมโกดต้องอยู่ยี่ข้างกี่หนอันหนึ่นงไม่ยุ่โกดเท่าไหร่แต่คนมีรอยลึกเหมือนกับเราพ่อเป็นรอยแผลในลําคอมันก็ยังเครืองอยู่เรื่องยังแข็ง อ, อยู่ไม่ใช่รอยแต่ในีรอยแผลโลก อรอยแผลแห่งความโกรธเลยไม่ไหมในใจเร า, าเรามาเจอด้อยรอแพงความทุกข์ไปเจอด้ไม่ต้องไปหาหมอมาช่วยเราช่วยตัวเองรอแผลห่งความหลงความรักความยังเราช่วยตัวเราได้รอยแผลงโรคมะเราาเ็งเนี่ยต้องอาศัยหมอต้องไปเหยียดยาเอง ไม่มีใครช่วยกันได้เลยเนี่ยลอยในหวัวใจเราลอยลักลอยแน้นร้อยจุร้อยทุกข์ลอยหลงวันหนึ่งมันหลงหรือมันรู้จักตัวแต่ความหลงมากมันก็ยังมีเบรนในกรรมอยู่แต่มันทุกข์ยังไม่อยู่ยก็มีเบรนในกรรมเราจึงบรรลุให้ึ่งชินเวรนชินกรรมคือรู้จักตัวรู้จึกตัวไว ท่าจะทำบาปทํากรรมอะไรมาไม่ต้องกลัวว่าแต่มาสร้างความรู้จึกตัวเนี่ยปานน่น่ะเอ็ดไมองค์ธีมานถ้าคนมาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเอาเนื้มือมาแขนคอไว้ฆ่าคนหนึือตัดเนื้อมือมาเลยฆ่าจำไม่ได้นับหนึ่งนับสองจำไม่ได้ก็เลยตัดเฉ่งแจวโน้มมือมาห้อยแขยนคอยพอฆ่าคนได้ก็ห้อยไว้ มานับดู999 99คนร้ยคนเดียวจะถึงพันล้อยถึงเก้าพันคนจะเอาไปเรียนคาถาตามอาจารย์แนะนำพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงทรงบอกทรงสอนออกคึ้มา ก, ก็กลับทันทีเป็นทหารได้เราไม่ได้ฆ่าคนมาสักคน เป็นหมอมากคน ด, ดีดังนั้นอ่าสำเร็จอะไรต่างๆก็จะมีความเกลืความโรคความหลงไม่รุนแรงไม่เป็นอนันตริยกรรมองค์คีรีมานไม่ได้เป็นอนันตรายกรรมไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้ฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ฆ่าพระอาหารหันต์อั น, นี้พาดหนันไป อย่าไปมีปมด้อยเมื่อมาปฏิบัติธรรมเห่าง น, นกันขาสองแขนสองเมรอดเมรหนาวมีสศกเมยทุกข์เหมือนกันเอาตัวนี้เป็นการศึกษาให้รู้จักตัวรู้จักตัวถ้าเราหลองอยู่แสดงว่าเรามีงานอยู่มีการบ้านอยู่เราต้องทำดิถ้ามันหลงก็รู้ซะ การบ้านทําไปเสร็จแล้วทําไปจมาชํานานมันไม่มีตลอดไปความหลงมันมีความรู้ข้าไปแท่ยนในแรกมันง่ายที่จะหลงต่อไปตับ้านง่ายที่จะรู้มันเป็นอย่างนั้นมันทําเสร็จด้านเหมือนกันเวลานี่ยหลวงพ่อก็มีการบ้านตรวจตัวคืออะไรไม่คิดหน่อยด้วยจาย์เขนอ่าจานแขนมาได้ทันทั้ง หายใจเข้าหายใจออกให้ได้ยี่สิบรอบเป็นจกลงไมาได้สามพันเก้าอย่างน้อยก่อนที่จะไปทำงานในอื่นรถต้นไม้อันอนั้นก็เลี้ยงต้นไม้คนหนึ่งก็ให้เวล า, าต้นไม้ยี่สิบสามสิบนาทีแหละลดหน้ามัน ไมาที่ปูกไหม่งนก็ไปฉันเช้าให้เวลาแก่ตัวเองให้ความรู้สึกตัวการจันแขนก็เป็นความรู้สึกตัวหวายใจเข้าหายอกคือความรู้สึกตัวเล่นจงกมก็คือความรู้สึกตัวไ ม, ม่ได้ไรยกแขนเนี่ยมันได้พลังการเมื่อรำคอหน้าอก ที่มันจะได้แต่ความรู้ความรู้สึกตัวได้พลังงานเดินจะกวนไม่ได้เลยได้ความรู้สึกตัวได้พ้นมบาเพิ่กรรมถ้ารู้สึกได้ถ้ารู้สึกตัวเลยเปลี่ยนรักเปลี่ยนชังข้ามจากความรักความยั่งมาถึงความรู้สึกตัวก้าวไปรู้สึกตัวก้าวไปเปลี่ยนอดีเป็นเปีนอนาคตได้รู้สึกตัวเป็นปัจจุบัน ยกมือเป็นปัจจุบันจะมีชาติหน้าจะมีดีแต่ชาติลบได้ทั้งนั้นมันคือเดี๋ยวนี้ทลบได้เมื่อวานก็คือวันนี้พรุ่งนี้ก็คือวันนี้ทำไมถึงจะพ้นจากอดีตได้ทําไมถึงจะพ้นจากนอนาคตได้คือมาลู เ, เดินจากของลูยกมือลูกยกมือลูอลเนี่ยเอาไมมันจริงหนาดนี้ จะเราจรียงงานอะไรเอกพวกเราหลวงพ่อก็เลยถ้าได้พูดธรรมาแล้วมันสั่นอยากาโคตรแรงๆตะโกนอยู่ขอรจะฟังก็ได้ใครจะไม่ฟังก็ได้จะทำตามก็ได้จะไม่ทําตามก็ได้หลวงพ่อไม่เสียหายท่านมีความรู้สึกตัวก็เป็นขอท่านเองหลวงพ่อไม่ไม่ได้กับท่านท่านหลมท่านก็ลงเอง หลวงพม่มันมีการหลงกับท่านท่านมีทุกข์ก็เป็นของท่านหนึ่งท่านไม่มีทุกข์ก็เป็นของท่านหนึ่งถ้าตัวใครตัวมันไม่ได้เลยแต่ด้านหลงหลวงพ่อหล ง, ลงอันนี้ก็ต้องต้องเฉลีใจทําคนอื่นทำให้หลงถ้าหลงถ้าก็หลงคนเดียวหลวงพ่อเป็นผูบอกมาไม่หลงด้วยนั่นนี้จึงิง <c oughs> อ่า ผูดได้ฟังหน้าที่หลวงพ่อมีเท่านี้ส่วนผู้ที่เป็นที่เรื่องมีอาจารย์ชองเฉินอาจารย์หลายลูกหลวงพ่อก็พูดเท่านี้ตอนเช้าอย่างดีตอนเย็นอย่างดีเท่า น, นั้นแต่พวกนี้ก็มาได้อยู่นละไปนครสวรรค์ตั้งแต่เช้าไปนี่ไปแล้วไปกลับมาไปัไหนฮะแล้วก็าไไเจเดตเนี่ย ถ้ามีที่ดินท่านจะอยากจะสร้างวัดแต่ว่าไม่มประยาหรอกที่ไปสร้างวัดไ ป, ไปดูภาพาไปด้วยสักสองสามโดก็ด่าเลยแต่ใครมีความสามารถไปสร้างวัดสาขาสุโตุตัวก็มาอสอนไปกลับไปกลับมาก็หนึ่งคืนยงยีง่สิบที่สามไ ป, ไปละตั้งแต่ตีสอง ่สารตีสององกอกจงวัดแล้วไปกรุงเทพไปโรงพยาบาลจุฬาวัชนาดี <c oughs> อ่าส่วนดีเลยอ่าให้หลวงพ่อมีโอกาสบอกเนาะอ่าให้กินข้าวไ้อเสียข้าวอยากให้มีเป็นมีสังคมม็เทชาตทบมากรักษาการักษาแผ่นละเกินสอนธรรมะ โูกตันไม้ใช่นีมมีปัญญาท่านนี้อาจจะหางทองปัญญาหนี่ไม่ได้ไม่มีปัญญางานดีสักบตทแต่ว่าสอนธรรมะมีไม่ขาดไม่จนใช่มาแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วผู้ขเบีรยวเนี่ยแรงกายก็มีปูกตันไม้ได้ปูเดือดทุกวันเนี่ยปูพัก ลมันเลมาไมีผักกินเลยอาจารย์ต้องมาใส่อาจารย์ต้อมึงเขากูกว่าป็นครุน้ําจ า, าดูก็ได้ในครยอยะอาหารเขียวตลอเวลาพอลมันเลยมามีผักเก็บไปเดินไปไม่ไปมีเป่าเก็บผักไปเย็นผักคืออะไรคือสมอุนไพรผักคืออะไรคืออาหารได้ทั้งอาหารได้ทั้งสมงุนไพร เิลงพไปวันนี้ก็เดินไปสิถ้าไปทางที่ตะวันตกก็าบ้างมีผักบุงอยู่เจบมีผักติ้วมีผักเบกเห็นไหมต้นผักเบกสองข้างรางมีลานผักบุ้งเดินไปอย่างนี้ก็มีผักผักติ้วเดินไปต่อไปจ ะ, จะมีอะไรบ่ะ กำลางทำท่อก็ทำปลูกอ้อโกันเดินชนี้เล่นนันหะเล่นตรื่อง น, น, นี้ก็ถืออา่าบางทีด้วยอ่าว่าทำไมอ่ะเรานนเนี่ยแต่ว่ามันไม่อยอมจนน่ะนะ บางคนไม่มีผักกินเลยหรือไม่อดไม่อยากทำกิน <c oughs> อ่าให้สบายใจพวกเราบ้านเรานะบ้านเราอยู่นี่ครอบครัวเดียวกันอย่าดู ว, ว่ามาวัดสุกโตมาบ้านเราสุขด้วยกันเท่าด้วยกันอาหารในไรแงเงินเย็นตะเก่าใช่ให้ให้ล้นให้หน่อยไม่เป็น เรไม่ยอมู้เยอะสล้วแบบยาเจนไม่เลยอะไรไม่ใช่ต่อาหาร่ใช่น้อยูโม่าฉันคนเดียวก็ย่อไปไหนไปไหมไปหน่อยไปเอาไปยังชิ่นถ่วยหาถ่วยกูโม่ตอนนีก็เด็กทำถ่วยหนึ่งนาทีถ่วยหน่งผักกก็พอแล้ว พอเมื่อไปลวก็หลังงดกันเดนี้ดูแลตัวเองให้ดช่วยกันบ้างอ่าหน่อยที่วันเลิกจัดก็ไม่ต้องให้ชีิตเรดีที่สุดนะเราไปบ้านแล้วจบไปแล้อาจารย์เราเห็นากับว